ทัวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะต้อนรับกันเข้าสู่รายการสันนีสนทนานะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0รเช้าตรู่เป็นเวลาที่เราจะมาพบกันทั้งนี้และทั้งนั้นรายการนี้มุ่งเน้นให้เมื่อได้พบกันแล้วกับธรรมะของพระศ า, ศาสดาพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนเอาไว้ก็เพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็บอกหนทางให้ปฏิบัติเนื่องจาก ทรงต้องการให้พวกเราปฏิบัติจะได้พ้นความทุกข์กันนะคะในศาสนาพุทธหรือว่าในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็จึงรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยรายการนี้ก็ให้ท่านได้ฝึกปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยทุกๆวันนะคะในตอนช่วงต้นของรายการเพื่อความเป็นมงคลกับตัวเองในการที่จะก้าวหน้าอย่างที่ว่าแล้วแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ การสดับในธรรมที่จะมีการสนทนากับท่านพระมหาภัยบุตรอภิบุญโญต่อไปนั้นได้เป็นไปอย่างาได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้นไปกราบน้อมสักการท่านพร้อมกับเตรียมตัวปฏิบัติกันเลยนะคะน้อมสักการกันท่านคะเรียนบาลเราก็จะเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมกันก่อนโดยให้ท่านผู้ฟังได้ตั้งสติ ข, ขึ้นเอาไวา้แล้จุดเริ่มจริงๆแล้วเริ่มของการปฏิบัตินั้นเราเริ่มกันที่ให้มีความปกติ ในเรื่องของศีลคือปกติทางกายทางวาจาอย่างเวลาที่เรานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเนี่ยกายเราไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ทําการฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์อันนี้ก็ชื่อว่าดีละวาจาของเราไม่ได้พูดไม่ได้เป็นการโกหกอันนี้วาจาเราก็รักษาละบุคคลที่มีกายวาจารักษาดีแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจคนที่มีความไม่ร้อนใจนี้จะสามารถตั้งจิตกินได้ เครื่องมือในการที่เราจะใช้ในการตั้งจิตของเราขึ้นก็คือสติทีนี้ถ้าบอว่าเรามีความผิดปกติทางด้านกายวาจาเวลาตั้งขึ้นแล้วบางทีมันล้มอยู่เรื่อยอันนี้คือยังมีความร้อนใจแต่ถ้าเรามีความสบายใจแล้วใจไม่ร้อนตั้งขึ้นโดยใช้สติสตินี้มาจากเครื่องมืออยู่หลายๆอย่างในที่นี้เราให้ใช้ลมหายใจของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี้เป็นเครื่องมือเครื่องมือนี้ใช้ โดยการที่เราให้มาสังเกตให้เอาใจของเรานั้นมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของเราเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามาจ่ออยู่กับลมหายใจบางทีเราเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมบ้างบางทีเราเห็นลมนี้จากจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสติปัฏฐานเราให้ตั้งจิตของเราขึ้นด้วยสติที่อยู่กับลมหายใจนี้สิ่งที่จะเกิดตามมานั้นก็คือความที่จิตของเรา จะเป็นรอรมั์เดียวความเป็นโรมั์เดียวของจิตนี้บางทีอาจจะมีความคิดนึกไปในเรื่องอื่นๆได้ดบ้างสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีซึ่งความคิดนึกนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เป็นไปในทางเรื่องของการมเรื่องของความพยาบาทแล้วความคิดนี้ถือว่าเป็นความคิดที่เป็นกุศลเป็นวิตกพิจารณ์เป็นสิ่งที่เราสามารถมีได้คือเรามีความคิดแล้วมีสติตั้งอยู่ อันนี้ถือว่าดีแล้วสติที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะสามารถที่จะประคับประคองจิตเราให้รักษาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือบดีมีภันธะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราโดยสติที่ตั้งขึ้นอย่างนี้เราสามารถทําได้ในตลอดทั้งวันไม่ว่าในขณะที่เราฟังวิทยุอยู่ํากับข้าวเดินทางหรือสิ่งใดๆให้ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ โดยการที่เรามาดูอยู่ที่ลมหายใจนี้นั่นเองจชบฟังสาธุค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะนั่นก็คือการนําพวกเราทั้งหลายให้คุ้นเคยให้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่พระาศาสดาได้วางไว้นะคะว่าทําอย่างไรท่านมีอะไรจะขยายความเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไปแล้วไหมคะตรงนี้เป็นทักษะคุณยมติวเป็นทักษะซึะ่งบางทีเหมือนเราขับจักรยานหรือว่าเราเรียนภาษานี่แหละอันนี้เป็นลักษณะของทักษะ ถ้ามีการฝึกทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นอย่างภาษาอย่างเงี้ยเร า, เาพูดภาษาไทยใช่ไหมภาษาพ่อภาษาแม่เราแต่ถ้าไปอยู่เมืองนอกเออคุณก็ต้องฝึกพูดภาษาเขาแต่ทําผิดบ้างทําถูกบ้างไปไปแล้วมันก็ได้เองมันก็ดีขึ้นมาก <Okay. S 1> ับจักรยานนี้ก็เหมือนกันตอนแรกขับไม่เป็นขับไปขับไปล้มบ้างตะแคงซ้ายตะแคงขวาบ้างเออมันก็ทรงตัวได้ขึ้นมาเช่นเดียวกันสติก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป๊บ้างเดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวตั้งขึ้นไม่ได้เดี๋ยวลืมบ้าง เอาแต่ฝึกไปทำไปแต่มันก็จะค่อยดีขึ้นมาเป็นทักษะที่เราต้องฝึกต้องกระทำนั่นเองค่ ะ, <ม>ะพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันได้อ่านที่เขาส่งไปตามไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการได้มาฝึกปฏิบัติสมาธิยาวมากแต่อ่านแล้วเข้าท่าดีจะ<ม>อะ่สรุปให้ท่านฟังเผื่อว่าอ่าท่านจะได้เสริมหรือว่าท่านจะได้มีอะไรที่มาทําให้คนเข้าใจเกี่ยวเรื่องของการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะ คนที่ยังไม่เคยฝึกนะคะเรียนบาลอ่าคืออันนี้เขาขึ้นหัวข้อว่า things that happen after meditate for one hundred days mm hmm. เขาขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ yeah, <but> ไม่รู้เวีนฝรั่งหรือเปล่าคนเขียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติสมาธิเป็นหนึ่งรยวันเนี่ยก็บอกว่าเกิดแดสิ่งเหลือเชื่อโดยตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ใฝ่ฝันกับการฝึกปฏิบัติมาก่อนนะคะ แต่ว่าพอได้ทําแล้วก็รู้สึกตีแถมอเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยมีคุณค่าเคยถึงขนาดที่เข้าสถานบบัตรยาเสพติดเคยถูกจับแล้วก็กว่าจะกลับใจมาก็ใช้สมาธิในการเปลี่ยนตัวเองอืบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งม ก, กราของปีนี้เลยแล้วก็พอรู้ตัวก็ได้ทําสมาธิไปครบหนึ่งร้อยวันแล้วเนี่ยนะคะ ตอนแรกก็ไม่คุ้นเคยลำบากรู้สึกานั่งยากอะไรยากแต่ตอนหลังเวลาผ่านไปผ่านไปก็เหมือนกับว่าจะพัฒนาตัวเองไปนในทางที่ปรับตัวเข้ากับสมาธิได้ดีจนเป็นเนื้อเดียวกันเระบอกว่าเกิดแสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อครบหนึ่งร้อยวันดังนี้ค่ะหนึ่งชีวิตมีความเป็นระเบียบมากขึ้นระเบียบความคิดก็ดีขึ้นนะคะอสองก็รู้จักคิดก่อนพูดจาแต่ก่อนเป็นคนที่เคยปากวายหลังจากฝึกสมาธิ ก็รู้สึกว่ามันจะต้องคิดก่อนทุกครั้งที่พูดข้อที่สามก็สุภาพและรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นคือไม่มองแต่ด้านของตัวเองจะมองคนอื่นด้วยแล้วมีพลังนอนหลับได้สนิทกว่าเดิมตื่นมาสดชื่นหลังเลิกงานยังมีพลังจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเลยและประการที่ห้ารู้จักเลือกรับประทานอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะถามตัวเองอยู่เสมอ ธรรมชาติมันทําให้เกิดการถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่จะบริโภคเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ดูโทรทัศน์น้อยลงอืนะคะ mm. แล้วก็ชีวิตเนี่ยดีขึ้นคือได้อ่านหนังสือได้ออกกําลังกายทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ mm. ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นหลังจากทําสมาธิคือรู้จักที่จะสังเกตชื่นชมความงามของธรรมชาติอื mm. ดีขึ้นทุกอย่างอันนี้ข้อที่แปดนะคะ mm. เขาบอกว่ารู้ว่าตัวเอง เ, เป็นใครอื mm. ทําอะไรได้บ้าง กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมีกําลังใจที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าเสียงเพื่อที่จะเติบโตในวันข้างหน้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญและสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้นี่คือสรุปค่ะมีประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติมตรงนี้ในจังหวะที่เขาพูดถึงว่าถามตัวเองก่อนเสมอก่อนจะกินอะไรหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยอันนี้คือลักษณะของคนที่มีโยนิโสมานัสิการคือการคใคร่กรวญ ในการพิจารณาใกล้ครวรให้รอบครอบซะก่อนใน ล, ลักษณะอย่างนี้แล้วก็บุคคลที่ดูทีวีเนะ่ยดูทีวีน้อยลงไหนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าจิตใจมันไม่ไปโหยหาความสุขทางตาทางหูแล้ว เ, เปิดทีวีดูเนี่ยก็ให้มันเพลิดเพลินไปอ่ะแต่แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้หาความสุขทางนั้นเนี่ยเขาจะไม่ไปเสียเวลากับในเรื่องนี้แล้วก็อาการที่บุคคลผู้นี้ปฏิบัติทำมาแล้วเข้าสมาธิแล้ว เนะืรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรความเสี่ยงได้เอนะทเดินทางไปในทางที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยอันนี้คือความที่เขามีใจิตใจใสมีใจิตใจสว่างบุคคลที่มีใจใสใจสว่างด้วยอานาจกองสมาธิศีลที่เขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในโลกนี้นะคือคนที่ปฏิบัติตามมรรคแเนี่ยเอ่อเป็นเส้นทางที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทาไมคุณจะทาอาชีพอะไร คุณจะดาเนินการไปอย่างไงต่อจะลาออกดีไหมหรือจะทำงานส่วนตัวดีคุณจะมีคาตอบตรงนี้ได้จากจิตใจที่เป็นอารมณ์เดียวและนี้จะเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะนี่ดิฉันก็เข้าใจว่าคนที่สรุปมาเขียเนยเขาก็ประสบกับตัวเองว่าชีวิตมันแย่มากไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จู่ๆก็กลับเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะมีเวลาที่พิสูจน์ได้เลยของเขาคือร้อยวันที่พยายามนั่งสมาธิ ค่ะฝาฟันกับความรู้สึกในตอนต้นอืที่เหมือนกับว่าลําบากจะนั่งไม่ได้อย่างนี้นใช่ใช่ใช่ <Okay. S 2> ในในเรื่องระยะเวลานี่พระพุทธาก็เคยให้ให้ข้อมูลเอาไว้คุณโยมติวคะระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบอกว่าทําอย่างที่สอนแต่ทำอย่างที่สอนเป็นคนตรงไม่มีมารยาไม่โอ้อวดเนี่ยแล้วปฏิบัติตามที่เราสอนนะั้นเจ็ดปีเจ็ดปีให้เวลาไว้นาะนแต่เจ็ดปียกไว้ก็ได้ถ้าบอกว่าทําตามที่สอนจริงๆ 1>, 1ปีก็ยังได้ไล่ลดลงมาเรื่อยๆนะจาก1ปีถ้าบอกว่าเป็นคนไม่มีมายาเป็นคนตรงนะแล้วทาตามที่สอนจริงๆอย่าว่าแต่1ปีเลย7เดือนก็ยังได้ลดลงมาอีกจากเจ็เดือน6เดือน5เดือนเหลือ1เดือน1เดือนนี่น้อยกว่าร้อวันเองนะ <throat S 1> แล้วถ้าเธอเป็นคนตรงจริงๆทําอย่างที่สอนจริงๆนะว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้อย่าคิดเบียดเบียนเขานะทำอย่างนี้จริงๆเลยนะอย่าว่าแต่1เดือนเลย7วันก็ยังได้ลด <throat S 1> ลงมาเรื่อยๆจนถึง1วัน หนึ่งคืนก็ยังได้แล้วบอกเดยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่เป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าเรามีความแน่วแน่จริงตั้งใจจริงในการปฏิบัติตามกระบวนการนี้อย่างไรอย่างไรตอนนั้นเองค่ะถ้ากับว่าถ้าเป็นคนตรงไม่มีมารยาอันนี้หมายความว่าย่งไรคะคนมีมารยานี่คือลักษณะว่าเช่นว่ามีฮิดเด้นอะเจนด้าเขจะใช้คําว่าอะไรคุณโยมเิวอมีมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงใช่ใช่ใช่เช่นว่าขอไปที่นั่น แต่ก็แวะไปที่นู้นด้วยโดยที่ไม่ได้บอกว่าละอื่นอสบใช่ใช่แล้วขนาเนี้ยคือคนมีมารยาค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนตรงอ่ะไม่มีมารยาและเป็นคนตรงจะไปได้ทําตามที่สอนจริงๆคือต้องไปตามทางที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไม่ใช่ว่าเป็นคนตรงแต่ว่าตรงไปทางอื่นอันนี้ก็ไปที่อื่นเหมือนกันอืนะคะที่ว่าเจ็ดปีเป็นตัวเลขของอย่างมากที่สุดไม่เนิ่นช้ากว่าเจดปีถูกไหมคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีกําลังใจทีนี้ หลายคนมาถึงตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกละสีตอนแรกก็งั้นๆนะ่ะพูดให้ทําสมาธิลืมเป็นบัวดื่มน้ําชงกาแฟจ้ะ <laughs> ทำไม่ทันสรุปสั้นๆเลยได้ไหมคะทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนพอจะบอกสั้นๆได้ไหมคะพระพุทธเจ้าบอกไว้คุณจงติวสั้นที่สุดเลย <c oughs> ก็คือศ <c oughs> ีลสมาธิปัญญาตามๆ <c oughs> นี้ศีล ส, สมาธิปัญญาพูดยาวหน่อยก็คือว่าให้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ แสามารถวาจาสมาระมัญตาสมารชีวะจนเรื่องของมรแปดเนี่ยให้มีตรงนี้ค่ะเราก็จะไปได้ตามเส้นทางนี้นั่นเองนะคะแล้ถ้าหากว่าท่านมีเวลาในช่วงเช้ า, าตื่นมาเปิดวิทยุทิ้งไว้รายการนี้พูดทุกวันไม่มีหนีมรแปดเลย จ, จะเป็นส่วนไหนของมรแปดเท่านั้นเองแล ะ, ะดิฉันได้ยินว่าท่านบอกว่าวันที่สี่จะเป็นวันที่ท่านจะแสดงธรรมชนิดที่ละเอียดประณีต <c oughs> จะสมบูรณ์กว่า <c oughs> <c oughs> ค่อยๆฟังเป็นทีละขั้นทีละตอนคือจะแสดงในเรื่องอะไรนะคะท่านคะเรื่องของจักรคือทำอันประเสริฐคือทำมาจากจนั่นเองคือทำอันประเสริฐถ้าสรุปแล้วที่อยากเชิญชวนให้ไปฟังกันเนี่ยฟังแล้วจะได้อะไรคะเรื่องอริยสัจสีค่ะเรื่องอริยสัเพราะว่าที่สืบเนื่องมาจากกราบที่แล้วที่อาจารย์มาได้ไปพูดที่หอจตุมัยเหตุท่านพุทธทาสเนี่ยก็คือเรื่องพูดถึงเรื่องของพุทโธธรรโมสังโฆถูกไหม จุดประสงค์ที่เราต้องมีศาสนะคือประพุทธพระธรรมพระสงค์เนี่ยเพื่อที่ให้รู้อริยสัจสี่จึงสืบเนื่องว่าจันต้องพูดเรื่องอริยสัจ4ีแล้ว ค, คือแน่นอนแหะในรายการของเราทุกๆวันตนนั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราพูดเรื่องอริยสัจสีอยู่อย่างเดียวอยู่แล้วแต่ทีนี้ด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาเราก็มีแค่30มสินาที35นาทีใช่ไหมด้วยข้อจํากัดเรื่องการสื่อสารทางเสียงเราก็ใช้แค่หูฟังได้อย่างเดียวแต่ทีนี้การที่ไปพบเจอกัน ในวันเสาร์เนี่ยวันที่4รกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อทางตาด้วยนะคุณสามารถจะใช้ตาในการดูข้อมูลพรีเซนเ t ชันต่างๆได้นะคือเรื่องของการซักถามกันก็สามารถทำได้เพราะว่าอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยมันซักถามให้เข้าใจกันได้อย่างดีะนะนี้จึงแล้วเราก็มี3มชั่วโมงนะซึ่ง3มชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอข้อมูลได้ละเอียดลึกซึ้งมากกว่าความต่อเนื่องกันของเนื้อหาในประสูต์ เทคนิคการใช้ตัวอย่างคือข้อจำกัดเรื่องเวลานในรายการวิทยุเนี่ยบางทีฟังฟังไปแหมกำลังพูดเข้าได้เข้าเข้มเอาหมดเวลาเส็จแล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจจะไปท่านจะมาสองวันที่จะพบกับท่านทั้งหลายนะคะคือวันที่สามและวันที่สี่ที่เรากำลังพูดอยู่ในขณะนี้เป็นาการแสดงธรรมในหัวข้อของวันที่สี่คือจักจักคือธรรมอันประเสริฐชื่อเรื่อง ที่หอจดหมายเหตุท่านเพุทธธาตุอินทปัญโยอยู่ส่วนรถไฟนะคะแถวแถวจตุจักรนั่นแหละแสดงตอนเช้าเก้าโมงถึงเที่ยงถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายจะเป็นช่วงของการปฏิบัติต่อคําถามช่วงกลางวันมีข้าวเลี้ยงให้ด้วยถูกต้องถ้าท่านสนใจส่วนวันที่สามเป็นกิจกรรมของทางปตทสพที่ตึกเอทโกห้าใช่เอทโกชั้นห้าห้องจัดเลี้ยงอันนี้คนน้องก็เข้าไปได้ นะะตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งเอื้อเฟื้อกับคนทำงานแตน่ไม่ใี่วันเสาร์วันศุกร์ถูกไหมคะเอื้อเฟื้อคนทำงานแล้วก็สามารถที่จะถามคำถามเรื่องราวที่ต้องการทราบได้ค่ะจะว่าไปกิจกรรมสำหรับวันที่สี่เนี่ยจะคล้ายๆกับรายการวิทยุทั่วไปที่เขามีการเชิญให้ผู้ที่ฟังรายการนั้นขอแปลนะครใช้คำว่าแฟนแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยอื ม, มาพบปะ เจอกับผู้จัดรายการกับผู้ที่ร่วมฟังรายการมาด้วยกันแต่นี่เป็นการมาชุมนุมกันเพื่อมาสดับในธรรมอืมใช่แล้วก็การพบสมนะเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะอันนี้เราจะได้มงคลอีกสองอย่างในวันนั้นค่ะมาหามงคลกันในวันที่สามและวันที่สี่แล้วแต่สะดวกนะคะ จ, จะต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษเสหรับคนที่ตั้งใจว่าแหมวันนี้ จะสละทั้งวันเลยนะคะในการที่จะไปหามงคลวันที่4ี่อะค่ะเรื่องการเตรียมตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแต่อาหารเราก็มีเลี้ยงก็คงจะเตรียมเรื่องของจิตใจนั่นแหละที่ให้เปิดกว้างในการที่จะฟังธรรมะได้คเพราะการที่คนซึ่งไม่คุ้นเคยกับสถานที่สถานที่หนึ่งจะไปอยู่ไหนตลอดทั้งวันเนี่ยบางครั้งบางทีเราไม่รู้จักสถานที่ก็สรุปฟังจากท่านปิยบูรณ์ไม่ต้องกังวล เพราะที่นั่นค่อนข้างสะดวกสบายใช่ไหมคะเตรตัวไปให้กันแล้วกันใช่ค่ะแล้วก็ที่นั่นเราก็จะมีซีดีแจกด้วยเป็นซีดีการปฏิบัติของหลวงพ่อดรสาสตร์ที่ทภาโสเจ้าอาวาวัดประดอนไนโศที่เป็นครูบาอาจารย์อามาแล้วก็เป็นซีดีเสียงอ่านพุทธประวัติแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับสามารถที่จะมารับในวันนั้นได้ โยมในราคา ย, ยังไม่ได้รับซีดีพุทธประวัติเพราะไม่ไปก็เลยยังไม่ได้นะคะท่านฟัง<笑><笑> <K> 笑ก็เอาไว้ยังไงจะต้องขอให้ได้นะคะทีนี้สำหรับท่านฟังรายการที่ฟังรายการของเราก็น่ารักนะคะมีคำถามก็ถามกันมาต่อสืบเรื่องจากครั้งก่อนนู้นนะคะที่ฟัง FM 106็มร้อยหกนี่แล ะ, ะก็เกิดความคิดว่าข้าพเจ้าไม่ผูกเวรไม่ต่อเวร ไม่จองเวนไม่เบียดเบียนเป็นผู้ระ ง, งับเวนได้ด้วยมรคแปดแล้วคงทำได้แค่นี้แล้วตัวข้าพเจ้าวงเล็บขันห้าเป็นทุกขและกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวนเป็นสมุทไทยขอพระอาจารย์ได้โปรดสั่งสอนคือถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไห ม, มใช่ไหมคะค่ ะ, ะเป็นคำถามของคุณปัญญาค่ะอันนี้ก็สืบเนื่องจากรู้สึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาบอกวันที่19บ <19. S 2> เ 6, ออค่ะก็คือก่อนสัปดาห์นู้นที่เราพูดถึงเรื่องของกรรมอธนะิบายเรื่องกรรมดำกรรมขาวเหตุเกิดข้อดีข้อเสียวิธีแก้ไขในความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องเรื่องกรรมอะไรต่างๆเราใช้เวลา2วันในการอธิบายคุณปัญญาก็คงได้ฟัง2ตอนนี้เราก็เลยมีความคิดว่าโอ้ฉันงั้นคงไม่ไปผูกเวรกับใครละฉันจะไม่ผูกเวรไม่จองเวรไม่ทาอะไรกับใครละ ใช่ปริวัติตามมักแปดอย่างเดียวทําได้แค่นี้นะคุณโยมถิ๋มันสุดยอดแล้ว <Okay. S 1> สุดยอดจริงๆถ้าคุณทําได้ตามมัก8ดเป๊ะๆ เ, เลยนะนะไม่มีมายาเป็นคนตรงๆอย่าว่าแต่ว่า 2- อสามสัปดาห์เลยอย่าว่าแตเจ็ดวันเลยเอาวันนี้ถ้าคุณทําได้เดี่ยวนี้เนี่ยคุณมรรลุทําแน่นอนขั้นสูงเลย <Okay. S 1> นี่คือมัก8เลยนะทํา <Okay. S 1> ได้เป๊ะๆ เ, เลยเนี่ยนะประเด็นคือว่าบางทีเราก็เบี้ยวออกจากทางบ้างเปไปบ้าง หยุดข้างทางบ้างอย่างเงี้ยบางทีเขาพูดไม่ดีกับเราเราเครียดขึ้นมาจีดนิดนึงอา่ามันก็ออกนอกมาร์กแล้วอย่างเงี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> หรือได้ฟังเพลงเพราะๆแม้ก็ไหลไปเคลิบเคลิ้มไปลืมลมหายใจอา่าก็หลุดนอกมาร์กแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องที่ให้เปให้ทําให้เราช้าเนิ่นช้าไปนะตัวตั ว, ตวที่มาทําอย่างนี้ก็คือตันหาแล้วก็อวิชามันก็จะดึงเราไปยึดเราใ ห, ให้มันเหนียวแน่นเอาไว้ ให้จิตเราเหนียวไม่สามารถไปตามทางนี้ได้ค่ะแต่ทำให้เราไปเข้าใจเรื่องขันห้าไม่ถูกต้องว่าเป็นตัวเราของเราทั้งน้นที่มันเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่เช้งก็สะดุดในส่วนของคำถามที่คุณปัญญาเขียนมาและเชื่อว่าท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็อาจจะงงๆใ น, นในส่วนที่บอกว่าไม่จองเวนจะปฏิบัติมรัก8ดแล้วตัวข้าพเจ้าวงเล็บขันห้า เป็นทุกและกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นสมุทัยอืมอย่างเนี้ค่ะตัวข้าพเจ้ากับขันห้าเนี่ยเมื่อกี้ท่านพูดว่าเข้าใจผิดในเรื่องขันห้าใช่ไหมคะมว่าเป็นตัวตนเป็นบาลแต่คําถามเนี่ยถามมาว่าตัวข้าพเจ้าวงเล็บขันห้าอันเนี้ยเออ่มันคืออะไรใช่ไหมขันห้า ค, คืออะไรอใช่ค่ะแล้วก็ทําไมเป็นตัวข้าพเจ้าถูกหรือผิดเป็นการประยึดเป็นตัวตนหรือไม่ค่ะอืมอื ม, อมพูดถึงขันห้าคือกองในถ้าเราจะแบ่งสรรพสิ่งในโลกนี้ ในส่วนไหนที่เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันก็ไปกองรวมกันไวนะ้จัดหมวดหมู่เดียวกัน 00: 00: 00. ตรงคําว่าหมวดหมู่กองก็เรียกว่าขันเอาสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊ว earlier, าซท่าสีดินน้ําไฟลมมาจัดหมวดหมู่ไว้ ด, ด้วยกันกองรวมกันไว้เรียกว่ากล่องรูปหรือรูปขันในสะิ่งที่เป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นทางตาบ้างทางหูบ้างในพวกนี้เหมือนเหมือนกั น, กนคล้ายๆกันเอามากองรวมกันไว้ นะกองนี้เรียกว่ากองเวทนาหรือว่าเวทนาขัน <Okay. S 1> สัญญาก็เป็นความหมายรู้ในะความหมายรู้ทางเสียงเราฟังนี้อ๋อเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงภาษานี้ในะความหมายรู้ทางลิ้นเราชิมนี้มันรสเคม็มรสเปรี้ยวความหมายรู้ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในอดีตในปันจจุบันก็ตามเรามากองกองรวมกันไว้จัดหมวดหมดู่เดียวกันนะกองนี้เรียกว่ากองสัญญาหรือสัญญาขันนะสังขารก็คือการปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลงจากเวทนาให้เป็นเวทนายแบบหนึ่งอย่างบางที่เราสุขอีกสักพักหนึ่งเราทุกข์เอาอได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้กับบาทีมีสัญญาเปลี่ยนแปลงไปแต่ตรงนี้คือสังขารเข้าทํางานในสังขารที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจอดีตอนาคตหรือว่าทางตาทางหูก็ตามเอามากองรวมกันตรงนี้เรียกว่ากองสังขารเอามาจัดหมว ด, ดอย่างนี้ในส่วนวิญญาณก็คือการไปทําหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้ผ่านทางตาทา ง, ทา ง, ทางหู รับรู้ได้เอาการรับรู M ้ตรงนี้มาแบ e, an anyway. er ่งแยกอาไว้มารวมกันไว้ในหมวดหนึ่งก็เรียกว่ากองวิญญาณหรือว่าวิญญาณขันทําไมถึงแบ่งอย่างนี้ทําไมพุทธเจ้าถึงแบ่งอย่างนี้เพราะว่าการแบ่งแบบนี้จะทาให้เราเข้าใจสรรพสิ่งได้นคนอื่นเขาแบ่งแบบอื่นไปไม่มีปัญหาเรื่องของเขานะก็เรื่องของเขาแต่พระพุทธเจ้าแบ่งแบบนี้เพื่อเรามีความเข้าใจในการที่จะไม่เกิดความรู้ยิ่งรู้ปรามนิพพานการแบ่งแบบนี้มีประโยชน์คุณโยมติ๋ว ตรงที่ว่าพอเราแบ่งรูปในกองแกงของเรียวก๊าสเป็นส่วนหนึ่งนะกายของเรามีรูปไหมมีนะคือร่างกายแขนขาหรือแม้แต่หูที่เราฟังเสียงอยู่นี้อันนี้เป็นเรื่องของรูปละก็เรียกว่ารูปปักขันในกายเรามีแน่นอนส่วนเรื่องของสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่เมื่อที่เรามีความรู้สึกจากสิ่งที่เราฟังคําพูดที่คุณเขาพูดภาพที่เราเห็นความรู้สึกในเป็นเวทนาในกายเราก็มีเวทนาแล้วก็จะมีเวทนาสัญญาสังการแล้วก็วิญญาณ 5้าอย่างนี้จะมีอยู่ในกายของเราในกายของเราจะประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ในะรวมกันเรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นกายของเราที่มีการตั้ง5้าอยู่เนี่ยโดยความเป็นตัวตนแต่ก็ว่าเป็นตัวตนเนี่ยหมายก ว, ว่าว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรขึ้นมาฉันเป็นของฉันอย่างนี้และเกิดขึ้นมาโดยเอกเทศลอยๆแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปอย่างนี้ ไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยใดๆอย่างเงี้ยหรือเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ถูกอันนี้ก็เรียกว่าอย่างเข้าใจขันห้าเข้าใจตัวเราเนี่ยไม่ถูกทีนี้เข้าใจถูกเป็นยังไงเอาเอาสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจไม่ถูกกันนะะ <Okay. S 1> สิ่งที่ทาให้เราเข้าใจว่าตัวฉันเป็นตัวฉันตัวฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้ตัวฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวฉันจะไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยใดๆอยากจะมีแต่สุขอย่างเดียวไม่อยากมีความทุกข์นี่คือลักษณะ ของจิตใจที่โน้มไปอย่างนี้เพราะว่าอํานาจของความยึดถือตันหาเงาตันหาความยึดถืออุปทานทําให้เรามีความเข้าใจในร่างกายในจิตใจของเราผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปเหมือนกับว่าเวลาที่เราถูกยุงกัดนะนะเวลาเราถูกยุงกัดเนี่ยผิวหนังเราเรียบเรียบราบรไม่ได้มีอะไรมากัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถูกยุ่งกัดเราจะรู้สึกคันแล้วพอคันแล้วเราก็จะเกาแล้วเกาแล้วมันก็จะเริ่มเจ็บแสบแต่ว่ามันจะมีความสุขตรงตอนเกานิดหนึ่ง อันนี้เช่นเดียวกันหนะจิตใจของเราที่ถ้ายังมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือพวกนี้จะทําให้เรามองไอ้เจ้าตัวกรนของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปแต่ทำให้เรามีจิตโน้มไปในลักษณะที่อยากให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดบางทีก็ไม่พอทําแล้วก็ยังต้องการอีกอย่างเงี้ยนี่คือจิตที่ยังมีเชื้อจเจ้าตัณหาอวิชชาทำให้เรามองเห็นผิดไปหนึ่งวิธีแก้ก็คือแทนที่เราจะเก่าหนึ่งเราก็ต้องอย่ากเก่า แทนที่เราจะเกาแล้วให้รู้สึกสบายเราก็หายามาทาให้ผิวหนังเรามันหายไปในยาที่จะมาทามาใส่จิตของเราเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องขันห้าคือการคือใจของเรานี้ให้ถูกต้องเนี่ยก็คือมัก8อย่างที่คุณปัญญาพูดมาเนี่ยว่าจะปฏิบัติตามมัก8อันนี้ <Okay. S 1> เปลี่ยนเป็นยาแต่เป็นยาที่จะให้เจ้าตัญหาวิชาความยืดถือพวกนี้อกไปจากใจของเรา <Okay. S 1> พอเรา มีเจ้าตนาวิชาไปจากใจของเราแล้วความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของขันห้าจะเกิดขึ้นได้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของกายและใจของเราจะเกิดขึ้นได้ในซึ่ง ค, <ะ>ความเข้าใจที่ถูกก็คือว่ามันเป็นอนาาัตตามันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างสุขก็มีทุกก็มี ก, ก็ธรรมดาจะเกิดความเข้าใจนี้ขึ้นนั่นเองค่ะงั้นการที่คุณเป็นยาเขียนมาว่าข้าพเจ้าวงเล็บขันเป็นทุกนี่คือถูกต้องเลยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนะคะและก้ามเก่า กรรมเก่าแล้วก็มีเหมือนกับว่าหรือเจ้ากรรมนายเวรมี slash นะคะกรรมเก่า s l a s เจ้ากรรมนายเวรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยในส่วนนี้แหะคะ่ะเหตุแห่งทุกคือตันหากรรมกรรมเก่าไม่ใช่เหตุแห่งทุกะนะเหตุแห่งทุกคือตันหากรรมเก่านี่เป็นส่วนของความทุกอยู่ในขันทั้งหา้ากรรมนี่คือสังขารไงกรรมคือสังขารกรรมคือการปรุงแต่งคือสังขารคือเจตนาเจตนาก็คือสังขารนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถูกนะคือเหตุแห่งกรรมเก่าคือตัณหาอันนี้พูดถูกอกรรมเก่าไม่ใช่เป็นเหตุของขันห้าแต่กรรมเก่าและขันห้าคือก้อนเดียวกันคืออาจจะเข้าใจถูกก็ได้แต่ว่าใช้บทเพียนชนะที่อาจจะไม่เนียบเท่าไหร่อนะคะก็ต้องพูดสมัยว่าอีกครั้งได้ไหมคะพูดถึงขันห้าเป็นทุกข์อันนี้ถูกต้องค่ะกรรมเก่าเป็นทุกข์อันนี้ถูกต้องเหตุของทุกข์เหตุของกรรมเก่า คือตัณหาอันนี้ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วพเหตุของทุกเหตุของกรรมเก่าคือตัญหานะคะก็เป็นความเข้าใจที่ถูกแล้วแล้วก็เข้ากับว่าคุณปัญญาเนี่ยฟังธรรมะแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆและจะนำไปสู่การปฏิบัติถูกไหมคะซึ่ค่ะหากปฏิบัติได้จริงๆก็จะเกิดประโยชน์อย่างที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาอยากจะให้ ทุกคนที่เกิดมาแล้วมีความทุกข์เหมือนพระพุทโธเองก็เคยพบเนี่ยได้พ้นจากความทุกข์นั้นๆใช่พอพอเรามีความเข้าใจแล้วแต่ความเข้าใจตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่ซึ่งความรู้ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับความรู้อย่างที่เราแบบท่องสุดคูณได้แล้วเรารู้ขึ้นมามันจะไม่เหมือนกันคือศัภาษสไทยบางทีก็ใช้สับสนกันนะรู้แบบฟังแล้วรู้เรื่องอันนี้ก็ศัพท์หนึ่งรู้แบบว่า เรารับรู้ได้อันนี้ก็ศัพท์ที่สองรู้แบบระลึกรู้เป็นสติอันนี้ก็ศัพท์ที่สามแล้รู้แบบปัญญาเป็นความรู้ขึ้นมาอันนี้ก็ศัพที่สี่อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งที่กําลังพูดถึงอันนี้คือเป็นปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาอันนี้ที่ที่เราจุดประสงค์ของการปฏิบัติคือเพื่อที่ตรงนี้ค่ะคือถ้าหากว่าเรารู้แบบเป็นความรู้ว่าอ่าเป็นอย่างไรแล้วยังไม่ได้ น้อมนำมาสู่การปฏิบัติเต็มที่เนี่ยบางทีเราอาจจะรู้ว่าผู้พุทูเนี่ยได้สอนให้สุดท้ายแล้วต้องให้ละละทั้งหมดเลยถูกไหมคะใช่แต่ว่ า, าในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยคะ่ะดิฉันก็ได้พบนะคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้คือเราอาจจะต้องสารวลอยู่กับเรื่องของตัวเองคือการกระทำของเรากายวาจาใจถูกไหมคะถูกถู ก, ถก จนบางครั้งเนี่ยดูเหมือนกับมนวุ่นวายกับตัวเองมันไปแทนที่จะเป็นการละแต่กับเป็นการมามองดูเป็นการใส่ใจเป็นการสนใจเป็นการอ่า ม, มีการจดจ่ออยู่ที่นี่อือันนี้จะอธิบายได้อย่างไร ค, คือขั้นตอม น, นตอมันเป็นคนละสเต็ปกันคุณยมติวอย่างเรากําลังขึ้นบันไดนะบันไดมีเจ็ดขั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือสี่ขั้นนะคุณกําลังขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วข้ามไปขั้นที่สี่เนี่ยมันต้องเป็นไปตามลําดับก่อน แตซึ<ช>่งลำดับของการละนี้ถูกต้องอยู่คื อ, อยังไงทั้งหมดมันต้องละแหละต้องวางละ่ะแต่ก่อนที่เราจะละจะวางได้เนี่ยต้องทําความเข้าใจนคนจะทําความเข้าใจเนี่ยต้องรู้ทุกแง่มุมแล้วเราจะวางความทุกข์ได้วางขันห้าได้โอเคดีจะวางได้เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าโยนทิ้งการวางได้ต้องเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่การไม่ใส่ใจความเข้าใจเกิดจากการใส่ใจซึ่งมันตร ง, งกันข้ามกับการไม่ใส่ใจนะคือบางคนคิดว่า ฉันจิงงั้นฉันไม่ใส่ใจในนี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดมากๆเลยไม่ใช่ไม่ใส่ใจแต่ให้ใส่ใจเข้าไปจนกระทั่งคุณเข้าใจพอคุณเข้าใจแล้วคุณจะวางได้ไหนวางได้ไม่ใช่มาไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจจนเข้าใจแล้วจึงวางได้เนี่ไม่เหมือนกันเนะซึ่งการใส่ใจตรงเนี้ยอย่างที่คุณยอมติว่างั้นฉันต้องใส่ใจในการปฏิบัติของฉันเรื่องของกายเรื่องของวาจาเรื่องของใจในะส่ใจเข้าไปแล้ว เราจะมีความเข้าใจพอเรามีความเข้าใจลึกซึ้งแล้วเราจะเห็นว่าโ <c oughs> อ้มันไม่มีสาระนี่นาไออารมณ์เนี้ยคื อ, ค, อ feminine, ความห anyway. น่ายความคลายกําหนัดในบุคคลที่เมื่อเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราใส่ใจเข้าไปนะเราเฝ้าจดจ่อในการปฏิบัติใช่ป่ะเราจะเห็นตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นผลของการใส่ใจเข้าไปนะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วอันนี้คือเห็นจริงแล้วเข้าใจแล้วก็จะมีความหน่ายความหน่ายสับที่พระบรทธเจ้าใช้คือนิพพิธา พอมีความหน่ายแล้วก็จะคลายกำหนัดโอ้ยเราไม่น่าจะมายึดตื่นเลยนะอารมณ์เนี้ยความคลายกำหนัดตรงเนี้ยก็จะนามาซึ่งการปล่อยวางได้ปล่อยวางไห้ซึ่งมันจะแตกต่างกับการทิ่ทิ้งแบบว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจค่ะคือเราจะเห็นคนที่เป็นผู้บอกกับคนอื่นหรือว่าแสแดงให้คนอื่นได้รู้ว่ากำลังอยู่บนหนทางปฏิบัติเนี่ยถ้าที่เราเห็นได้ชัดก็ไม่จะเป็นคนที่ทาตัวแตกตา่าง <c oughs> ไปจากคนอื่นมากคือบางทีมันละ <P ien S 2> บากย<ห>นอะไรนิดนึ่ง อ, อก็อันนี้อาจจะต้องเป็นเทคนิคซึ่ง อ, อยากจะกลับเรียนถามท่านเหมือนกันนะคะว่าในฐานะที่ท่านจะเห็นอะไรมาเยอะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติเองด้วยแต่อาจจะแตกต่างกันที่ว่าขอคำแนะนำให้กับคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระสงฆ์นะคะ <c oughs> ว่าเมื่อต้องเกี่ยวข้องยังต้องอยู่ในสังคมยังต้องมีครอบครัวก <c oughs> ็ทาหน้า <c oughs> ที่ของเราไป นะั่นคือคือคนที่เป็นกรรวาเนี่ยก็จะต้องมีการงานมากอันนี้ก็ธรรมดาแ่เพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องรักษาที่ของเราให้ดีกับมานาบิดากับเพื่อนร่วม ง, งานกับลูกน้องกับเจ้านายแลกับคนรอบข้างอันนี้เราต้องทําหน้าที่ของเราในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศรรีลแต่รักษาจริ่ของเราให้ดีแต่เราก็จะดีทั้งทางโลกและทางธรรมดีทั้งในเวลานี้แล้วก็ดีทั้งในเวลาต่อตอไปแต่ซึ่งตรงนี้อาศัยทักษะในการฝึกให้สมดุลนนะัคือแน่นอน oh, <okay. S 1> ว่า เราจะต้องรักษาจิตของเราให้ดีบางทีมันก็ดูแปลกๆบ้างแต่เราอันนี้เราต้องฝึกในาการที่ทําให้สความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้อคนบางครั้งคนที่อยู่รอบข้างก็ชอบนะคะชอบเสวยนาคนที่เชื่อว่าเป็นคนดีอย่างเงี้ยแต่พอเข้าใกล้แล้วอึอดอัดออืืมมเ่ก็จะได้หาความพอดีซึ่งต้องใช้ทักษะต้องคอยสังเกตว่าเพียงใดจึงจะพอดี อ่าก็เข้าใจว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวเหมือนกันนะคะเขาทำได้เยีนบานค่ะและวันนี้ที่ทนคิดว่าก็พอควรแก่เวลาทีเดียวนะคะยังไงย้ำอีกครั้งหนึ่งการเดินทางตามคำนิมนต์ของอผู้ที่ศรัทธาต้องการจะให้ท่านพปบูร์มาแสดงธรรมนานๆก็จะมาครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ท่านเอือ้อเฟื้อ กับผู้ที่เป็นผู้ฟังรายการก็จึงเมตตาให้ทิ่ฉันเนี่ำมาบอกกลา่าวกับท่านทั้งหลายเพราะว่าทางเจ้าภาพเองเขาก็เปิดโอกาสที่จะให้คนอื่นเข้าไปร่วมฟังธรรมด้วยอย่างเช่นการไปพบกับไปไปแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งในวันที่สามนะคะที่ปตทอสอพจะเป็นวันศุกร์ซึ่งยังเป็นวันทำงานอยู่ชมรมรักธรรมของที่นั่นก็นิมนต์ท่านมาเพื่อที่จะให้แสดงธรรมในเวลาพักกลางวัน ตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจด้วยนะค ะ, ะที่ตึก e อ็นโกชั้น5แล้วก็ท่านพิบูณบอกว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ให้โอกาสสำหรับการถามคำถามใช่ไหมคะใช่ใชดิฉันเห็นวันนั้นท่านบอก3ามคถามนีม่แปลว่าคนละสามคำถามเท่านั้นหรื อ, อว่าตั้งไว้อย่างนั้นคือหมายว่าให้เตรียมมาแล้วให้เตรียมมาจะได้เป็นจุดประกายให้เราได้พูดคุยกันได้ อ๋อค่ะบางทีเรากำลังจะถามคนอื่นถามคำถามไปแล้วเราก็นั่งฟังก็ได้แต่ต้องเตรียมไปบางทีคิดไม่ออกอส่วนวันที่สี่ค่ะท่านก็จะแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุท่านเพื่อธาตุอินทะปัญโยส่วนรถไฟใกล้ๆจตุจักรนั้นทีนี้จะอยู่ตั้งแต่ตอนเช้า9้าโมงเช้าถึงสาโมงเย็นเลยนะคะสำหรับท่านภพบูลใครจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงอุดรเพื่อไปพบท่าน ก็ต uh ั้งแต่เวลา9ก้นากาจะเป็นการแสดงทำเรื่องจักคือทำอันประเสริฐซึ่งท่านพิบุลจะพูดอย่างเต็มที่แตกต่างจากการที่ฟังรายการวิทยุซึ่งฟังแล้วไม่เคยได้เต็มเพราะดิฉันก็จะพูดขัดท่านไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันแล้วก็เวลามันไม่เพียงพอกับการแสดงได้เต็มที่ช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงแสดงทำพักเที่ยงมีการออกโรงทานให้รับประทานอาหารกัน และตอนบ่ายให้อยู่ร่วมกันเพื่อฝึกปฏิบัติกับตอบคําถามข้อสงสัยต่างๆามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่ะครบเพื่อนดีเยี่ยมาก น, นะคะงั้นก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณยังไงก็ตามดิฉันถ้าไม่ติดอะไรจริงๆก็จะไปร่วมฟังกับท่านฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะเยี่ยมากกราบนมัส ก, การขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะท่านฟังที่ครบรสและนี่คือรายการสัสนิสนทนานะคะที่มีพระภิกษุจาก น้องหารอุดรธานีวัดป่าดอนไฮโซพระมหาไพบุญอภิษุุโนอ่าที่เป็นผู้ฝึกปฏิบัติร่วมกันกับหลวงพ่อเจ้าว่านะคะคือด็อเตอร์สะอาดธิตาพาโูให้กับผู้ที่ฝักใฝ่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนที่นั่นเราจะมาพบกับท่านฟังอีกในวันพรุ่งนี้นะคะในลักษณะแบบเดียวกันนี้สาหรับวันนี้พทวสวัสดีค่ะ